กายานุปัสนาหมวดป่าช้าเก้าหมวด379ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง 1. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าชา้าซึ่งตายแล้วหนึ่งวันตายแล้วสองวันหรือตายแล้วสามวันเป็นศพขึ้นอืดศพเขียวคล้ำศพมีน้ำเหลืองเยิม้มแม้ฉันใด ภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้จะมีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่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 และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกพิกษุทั้งหลายพิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหล 2. ภิกพิุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินนกตะกรุมจิกกินแร้งถึงกินสุนักกัดกินสุนัขจิ้งจอกกัดกิน หรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่แม้ฉันใดพิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ฉันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่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 หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหล 3. ภิกษุเห็นซากศพอันเข้าทิ้งไว้ในป่าชา้า เป็นโครงกระดูกยังมีเนื้อและเลือดมีเอ็นรัดรึงอยู่แม้ชันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ชันนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่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 และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหล 7. เจ็ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสังแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้น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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล 8. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่าหนึ่งปีแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้น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 หมวดป่าช้าก้าหมวดจบกายานุปัสสนาจบเวทนานุปัสสนาการพิจารณาเวทนา380ิภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอัตถุขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเราเสวยอัตถุขมสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนา ที่มีอามิ t h เมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h เมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิ t h เมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามาิ t h เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่มีอามาิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขะะมสุ ข, ขเวทนาที่มีอามาิ t h เมื่อเสวยอทุกขะะมสุ ข, ขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h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 และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างนี้แหลเวทนานุปัสนาจบจิตตานุปัสนาการพิจารณาจิต381 ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราค า, า, จ, า, คาจิตประศจากราคะ ก, ก็รู้ชัดว่าจิตประศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตประศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตประสจากโทส ะ, จ, ะ, ส จ, ทสะจิตมีโมหะ ก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตประศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตประศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหัคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหัคตะจิตไม่เป็นมหัคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหัคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า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 ในจิตอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าจิตมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญานเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างนี้แลจิตตาโนปัสสนาจบ อนุปั ส, สนาการพิจารณาธรรมหมวดนิวร์สามร้อยิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์หอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์หอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1>, 1. เมื่อกามฉันทะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อกามฉันทะภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามฉันทะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้น Shiny, มีได้ด้วยเหตุใด ก, ก็รู้ชัดเหตุนั้นการล ก, กามฉันทะ ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและการฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. พยาบาทภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อพยาบาทภายในไม่มีอยู่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 3. เมื่อถีนมิทธะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าถีนมิทธะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อถีนมิทธะภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าถีนมิทธะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น การละถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและถินมิทธะที่ละได้แล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น4เมื่ออุทจักกุกกุจจะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุทจักกุกกุจจะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุทจักกุกกุจจะ ภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุทธจักกุกุจจะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งอุทธจักุกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละอุทธจักุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและอุทธจักกุกุจจะที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 5. เมื่อวิจิิจช้าภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิตรช้าภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อวิจิิจช้าภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิิจช้าภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งวิจิิจช้าที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใด ก็รู้ชัดเหตุนั้นการเล่าวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและวิจิกิจชาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่